จิตหมุนมองขณะตายจะไปร้ายหรือไม่จะแก้จิตหมุนหมองได้อย่างไรถามเคยได้ยินมาว่าถ้ามีจิตที่หมุนมองขณะใกล้ตายจะทําให้เราไปเกิดในภพที่ไม่ดีอยากถามว่าลักษณะของจิตก่อนตายอย่างไรที่เข้าข่ายหมุนหมองดังกล่าวตอบไม่ว่าจะใกล้ตายหรือขณะกําลังอยู่ดีมีความเป็นปกติอย่างนี้ จิตคนเราหมุนมองด้วยลักษณะเดียวกันหมดครับคือไม่สามารถนึกถึงสิ่งที่เป็นมงคลไม่อาจรู้สึกแช่มชื่นตื่นตาต่อให้จำได้หรือนึกออกว่าทำบุญอันใดไว้ก็ไม่อาจย่างจิตให้เป็นสุขได้เนื่องจากไม่อาจถอนจิตจากแรงดึงดูดของบาปอากุศลเมื่อจิตหมุนมองก็ย่อมคิดถึงแต่เรื่องไม่ดีนึกถึงแต่เรื่องที่ควรทาให้เราเจ็บใจ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 สรุปคือเป็นเรื่องจริงครับถ้าจิตหมุนหมองขณะใกล้ตายก็คงไม่แคล้วต้องเจอทุกขติแม่อุตส่าห์สั่งสมบุญบารมีทำดีให้ทานรักษาศีลมันตลอดชีวิตแต่พลาดตกม้าตายตอนจบตายด้วยอารมณ์เศร้าหมองแล้วแทนที่จะไปดีสวยสุบดังควรก็อาจถูกความหมุนหมองเขียให้ไปอยู่รวมกับพวกเร่ร่อนในภูมิเปรตแช่จมอยู่กับความวังเวงเงียบเหงา แต่ก็ไม่ถึงกับถูกแดดเผาด้วยไฟหรือเครื่องทรมานสาหัสนักและอาจติดอยู่กับภพของความเป็นเช่นนั้นในระยะสั้นๆสำหรับพวกบุญเก่าดีแต่ตายขณะจิตเศร้าหมองนั้นเมื่อใดระลึกถึงกุศลเก่าได้หรือมีญาที่ผูกพันธ์กันแน่นแฟ้นอุทิศส่วนกุศลหรือมีพระที่ชำนาญชานสมาบัต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 พวกบุญพอมีแต่จิตเศร้าส้อยก่อนตายนั้นอีกส่วนหนึ่งมักไปเป็นสายแห่งดิรัชานหมู่ใดหมู่หนึ่งซึ่งต้องนับว่าแย่กว่าพวกเปรดเพราะพอเกิดเป็นสัตว์ดิรัชานเกือบร้อยเปอร์เซนต์จะลืมอดีตแต่หัหลังหมดจะมีจิตผูกติดอยู่กับประสาทหยาบใช้ชีวิตตามสัญชตาตญาณและอารมณ์หรือเมื่อลอยไร้จุดหมายวันๆเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งเรื่อยเปื่อย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 ห่อหุ้มจิตวิญญาณอยู่หากไม่มีบุญหนุนเอาเสียเลยคือเป็นผู้ที่ตรณีทีเหนียวเป็นผู้มีศีลขาดทะลุเป็นรูใหญ่เกินปะชุนแถมก่อนตายนึกอะไรไม่ออกได้แต่กลอกหน้าไปมาจมปลักอยู่กับเรื่องอัปมงคลอันเจือด้วยราคะโทสะโมหะแบบถอนตัวไม่ขึ้นอันนี้ก็เสร็จเลยครับมีสิทธิ์เจอวิบากชั่วทั้งหลาย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 ตอบคำตอบง่ายๆเลยครับสำหรับบางคนความหมุนหมองเกิดจากความเคยชินที่จะหมุนหมองหรือยอมตนให้กับความหมุนหมองจนเคยตัวเรื่องไม่น่าคิดก็เก็บมาคิดเรื่องไม่น่าวิตกก็เก็บมาวิตกหากเข้าข่ายดังว่านี้ก็ขอให้คุณทราบถืดว่าโรคช่างวิตกมีต้นสายปลายเหตุการยินยอมตกเป็นเบี้ยล่างของความวิตก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 เหมือนทำให้สมองเราฝ่อลงได้หดหูท้อแท้และเชื่ออยู่ลึกๆว่าจะไม่มีวันขึ้นจากหนองน้ำได้นับว่าแปลกแต่จริงยิ่งนานวันก็จะยิ่งซ้านไปตามเนื้อตัวสะสมไว้ที่จุดต่างๆคล้ายไขมันมีพิษทาให้ผิดปกติไปต่างๆนานๆบางวันงดหงิดง่ายแต่บางวันก็คล้ายเกิดอาการทอดอะไรตายอยากเป็นต้น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 เท่าการตั้งจิตไว้ผิดพลาดอีกแล้วถามจะทราบได้อย่างไรว่าจิตเราหมวนหมองอยู่ในระดับตกตามร้ายแรงยาจะเหยียวยาหรือไม่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักวัดว่าแต่ละวันดีขึ้นหรือแย่ลงและดีขึ้นแค่ไหนจึงแน่ใจได้ว่าจะไปถือกำเนิดในสุขติภูมิ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 2แสดงอากัปกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏแต่ก็ระ ง, งับลงได้ในเวลาต่อมาโดยปราศ จ, จากความรู้สึกคืบแน่นหรือเก็บกด 3. แสดงอากาปกิริยาหงุดหงิดให้เป็นที่ปรากฏและไม่แน่ว่าจะระ ง, งับได้ไม่แน่ว่าจะปลอดโปรง่งหรือเก็บกดในเวลาต่อมาสี่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 หรือหดหูเศร้าหมองอย่าพยายามเร่งเอาตัวเองออกมาจากภาวะนั้นๆทันทีทันใดตามใจนึกแต่ให้ตรหนักว่านั่นเป็นภาคมืดของจิตเมื่อใดมีแสงสว่างสาดเข้ามาความมืดก็จะหายไปเองความสว่างนั้นอานหมายถึงการไม่ยอมจมอยู่กับทุกข์แต่หันไปเดินเล่นในสวนหันไปอ่านหนังสือธรรมะ